หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารสุขเอกคตาวิริยินรีสมาธินรีม น, นมนินรีโสมนัสสินสีชีวิตินรียมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิปิริยะภละสมาธิภะละ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 ความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามสเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสําราญทางใจความสุขทางใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนธาตุที่เหมาะสมกันความเสเวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 นี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น369ยจเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น370จสิจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉน จิตมโนโมานัตถ์ไทยปันฑระมโนโมานายตนะนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น371ิวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไรความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความลำบริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกัปปะในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น372้อจิวิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนันความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตออจเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้น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 ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านภาวะที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิพระมิจฉาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น376วิริยินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉน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 นี้ชื่อว่าวิริยินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ....377 สมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไรความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดสายสมถะสมาธินีสมาธิพละมิจฉาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สามริบแปดมณินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตปโนมานัตถาไทยปัณดระมโนมานายตนะมะนินทรีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามโสมานัตสินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องการความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตตินรียแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตตินรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น381รปิบเิชชาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนิดทิฏฐิความเห็นผิดรกชัดคือทิฏฐิ กันดาลคือทิฏฐิความเห็นอันเป็นค่าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่ที่เป็นบอ่อเกิดแห่งความปินาตความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น382 มิจฉาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําบริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกัปปะในสมัยนั้นนี่ชื่อว่ามิจฉาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น383มิถ่าวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน การปรารบความเพียรทางใจความขมักขม่นความบากบันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมันความมุ่งมั่นอย่างไม่ทอถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยวิริยินศีวิริยภะมิจฉาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามิฉาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 ในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าวิริยะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น386สมาธิพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความลำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิพละมิจฉาสมาธิ ในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสมาธิภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 387. อิอหิริกะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นเชนไหนกริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าอนตุตตะปะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นส89้าโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความโลภ ก, กิริยาที่โลภภาวะที่โลภความกำหนัดกิริยาที่กำหนัดภาวะที่กำหนัดความเพ่งเล็งอกุศลมูลคือโลภะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ส9 0เกสิบโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้แจ้งตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่อย่างลงอย่างรอบครอบความไม่พินิษความไม่พิจารณาการไม่ทำให้ประจักษ ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโยคะอวิชานุใสปริยุท ธ, ธานักิเลสคืออวิชชาลิมคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น391อย้ิบภิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉน ความโลภกิริยาที่โลภภาวะที่โลภความกำหนัดกิริยาที่กำหนัดภาวะที่กำหนัดความเพ่งเล็งอกุตโสมูลคือโลภในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอภิ ช, ชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น392มิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิดโรคชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิ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 กิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอคติสนซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอหุวริกะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามอยโนตตาปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหน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 พัฒณาเจตนาวิตกวิจารปีติเอกะขะตาวิวริยินสีสมาธินีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิรยิยภะระสมาธิพะระอหิวิริกะภะระอะโนตัปปะพะระโลภะโมหะอภิชฉามิจฉาทิฏฐิอหิริกะอโนตัปปะสมถะปะัจขะและอวิเขปะ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 จิตที่เป็นอกุศลจหอรคตรด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุจักจูในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่ส400สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนะิด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 วิริยินสีสมาธินสีมนินสีโสมณัสสินสีชีวิตินสีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะภะละสมาธิภะละอหิวิริกะผะลอนตุตตะปะภะละโลภะโมหะอภิชฌาอหิวิริกะอนตุตตะปะสมถะปะัาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้น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 ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่ส402สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉไนจิตที่เป็นอกุศลจะหรคตด้วยโสมนัสวิปยุจจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่ห้าสรยสสภาวธรรมที่เป็นอากุศลเป็นไฉนะจิตที่เป็นอากุศลจะหอรคต ด, ด้วยอุเบขาสามประยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสรเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอเบขาเอกคตาวิริยินสีสมาตินีมนินรีอุเปกินสีชีวิตินรีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะภลสมาธิภะลอหิวิกะภะละ อโนตัปปะภะโลภะโมหะอภิชามิจฉาทิฏฐิอหิบริกะอโนตัปปะสมถทะปัคคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล ส, สี4ร้อสี่ษที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน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 ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้เชื่อเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น406ร้อยเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่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 พัสสะเจตนาวิตกวิจารเอกคตาวิริยินสีสมาธินสีชีวิตินรียมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะภระสมาธิภะระอหิริกะภระอโนตัปปะภะระโลภะโมหะอภิชามิจฉาทิฏฐิอหิริกะอโนตัปปะสมถทะปัคคาหะและอวิเกปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งอิงอาใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่6 409สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชนิด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 ปัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกคตาวิริยินทรีสมาธินทรีมนินทรียอุเปกขินทรีชีวิตินทรียมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะพละสมาธิพละอหิริกะพละอโนตตปะพละโลภะโมหะอภิชฌาอาหิวิริกะอโนตตปะสมถะปะัคาหะและอวิเกะก็เกิดขึ้น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 หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล411สสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนภัทธเจตนาวิตกวิจารเอกคตาเวริยินสีสมาธินีชีวิตินรีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะ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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่8 4ดสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชนหะนจิตที่เป็นอกุศลสหรกตด้วยอุเบขาวิปยุจจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมมีธรรมเป็นอารมหรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้น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 หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสเวทนาสัญญาเจตนาจิตพิจตวิจารณ์ทุกข์เอกคตาวิริยินรีสมาตินสีมนินรีโทมานัตสินรียชีวิตินทรียมิจฉาสังก ป, ปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิรยิยภะละสมาธิภะละอหิวิกะภะละอะโนตัปปะภละ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 ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น416ร้กทุกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไความไม่สำราญทางใจความทุกขทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 กิริยาที่คิดปองร้ายความพิวโรดความผิวโรดตอบความดุร้ายความเกลี้ยวกราดความที่จิตไม่แช่มชื่นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น4ี่พยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้าย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 พัสเจตนาวิตกเอกคัตาวิริยินรีสมาตินรีชีวิตินทรียมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะภลสมาธิภะละอหิริกะภะละอนตุตตะปะภะละโทสะโมหะพยาบาทอหิริกะอนตุตตะปะสมถะปัคาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเองอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น เวทเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่ส0 421อสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนจิตที่เป็นอกุศลทหรคตด้วยโทมานัตสัมปยุทธ ด, ด้วยปฏิฆะมีรูปเป็นอารมณ์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 วิริยินสีมนินทรีอุเปกขินสีชีวิตินรีมิจฉาสังคัปปะมิจฉาวายามะวิริยะภละอหิริกะภะระอโนตัปปะภะระวิจิกิจฉาโมหะอหิริกะอโนตัปปะและปักาหะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอิงอัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล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 425วิจิกิจชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองอย่างความเห็นเหมือนทางสองแพรง่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไป ความไม่สามารถย่างลงถือเอาเป็นยุติดได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอักขุศนขันศีรอายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินทรีย์สี่ฌานมีองค์สี่มักมีองค์สองภละสามเหตุหนึ่ง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 พัสเจตนาวิตกวิจารณ์เอกคตาวิริยินสีชีวิตินรีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะวิริยภะลอหิริกะภะลอะโนตัปปะภะลวิจิกิจฉาโมหะอหิริกะอโนตัปปะและปัจคาหะหรือจะพาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน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 มีทำเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารอุเบกขาเอกคตาวิริยินสีสมาธินรีมนินทสีอุเบกหินสีชีวิ ต, ตินรีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิรยิยะภะละสมาธิภะละอหิ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 ซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัย น, นั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลขันสีอายตนะสองธาตสองอาหารสามอินรีห้าชานมีองค์ีมักมีองสามภละสี่เหตหนึ 1, ่งผัสสะหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตหนึ่งในสมัย น, นั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัย น, นั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุศสน430สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนพัะเจตนาวิตกวิจารเอกคตาวิริยินสี่สมาธินสีชีวิตินสีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภระสมาธิภระอหิบริกะภระอนโนตตปะภระอุทธัจจะ